สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่ชิอาพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้อยห้าสิบแปดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่สามสิบสามในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ขอให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพี่น้องครับเหมือนอย่างที่เมื่อวานนี้นะครับผมได้เรียนให้ทุกๆท่านทราบว่าเมื่อเราอ ธ, ธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเยซูในช่วงนี้ก็หมายถึงว่าเรากําลังเข้าสู่ไฮไลท์นะครับ จุดสุดยอดของคำอนิษฐานก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราการอานิษฐานนั้นจึงเป็นการชาระชีวิตของเราให้บริสุทธิ์ตามน้ำมัธยของพระเจ้านั่นเป็นเหตุที่ทําให้แผ่นดินของพระเจ้าได้สําเร็จผ่านชีวิตของเราและในขณะเดียวกันครับน้ำมัธยของพระเจ้าก็มาตั้งอยู่ในโลกนี้เหมือนกับที่ตั้งอยู่บนสวรรค์โดยที่มีเราเป็นกลไกหรือเป็นพันเฟืองตัวเ ล, เล็กๆที่ทําให้หรือจะมีส่วน ที่จะให้แผ่นดินของพระเจ้านั้นสมบูรณ์แบบพี่น้องครับการที่เราจะต้องคำนึงถึงความสําคัญเกี่ยวกับการชรําระตนให้บริสุทธิ์นั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะการอิจฐานเป็นการชรําระตัวให้บริสุทธิ์และการอิจฉา น, นั้นจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราครับเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อเบียบบ่งการพระเจ้าหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการอิจฉา น, นั้นเป็นการเขย่าบัลลังก์ของพระเจ้าแต่ผมจะบอกว่า ไม่มีอะไรที่จะสามารถเขย่าบัลลังก์ของพระเจ้าได้หรอกครับเราเพียงแต่เขย่าพระหัตถ์ของพระเจ้าเบาๆเท่านันเองขอให้พระเจ้าได้หันมาทอดพระเนตรหันพระพักของโปรงมาหันพระกันของโปรงมาเพื่อที่จะสลับฟังคําอธิษฐานของผู้เล็กน้อยที่เป็นลูกของโปรงคนหนึ่งรเราไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าทําในสิ่งที่เราต้องการครับไม่ได้อีโก้นะครับหรือ i c เ n t e r รเราไม่ไอธิษฐานด้วยการช่องบนอาถาหรือสวดมนต์หรืออธิษฐานคำซากเพื่อเป็นการอวดแต่เราเข้าไปอยู่เบื้องพระเพาะจำเพาะพระพักพระเจ้าเพื่อสักการะพระนามของพระองค์ให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และเพื่อให้น้ำมันไทยของพระองค์สำเร็จในสวรรค์อย่างไรก็ให้สำเร็จในแผ่นดินโลกอย่างนั้นที่น้องครับเราเห็นพระเจ้า เราก็เห็นความผิดบาปของเราเราเห็นพระเจ้าเราก็เห็นสิ่งที่เราต้องทำก็คือการชําระตัวให้บริสุทธิ์และการชําระตัวให้บริสุทธิ์นะครับมันเป็นกระบวนการครับมันไม่ได้จบวันนี้จบพรุ่งนี้มันเป็นกระบวนการการต่อเนื่อเรื่อยๆเพื่อที่เราจะเรียนรู้ในการที่จะพึ่งพาพระเจ้าทั้งหมดเรียนรู้ในการที่จะให้พระเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางชีวิตของเราเรียนรู้ที่จะยกย่องพระเจ้าให้พระเจ้านั้นเป็นหนึ่ง เป็นเจ้าเหนือหัวของเราที่น้องครับเมื่อเราอิจฉาขอให้เป็นไปตามพระไถ่ของพระองค์โลกนะครับโลกในอินเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างไงโลกโลกนี่นะครับหมายถึงตัวเราและคนอื่นอีกมากมายครับที่ยังไม่ได้เป็นไปตามน้ำพระทของพระเจ้าที่น้องครับวันนี้เป็นช่วงสั้นๆ น, นะครับที่ผมอยากจะแบ่งปันสืบเนื่องจากการที่ได้มีโอกาสอ่านหนังสือเกี่ยวกับ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการอาธิษฐานของพระเยซูหลายเล่มอยู่ผมไปพบกับเล่มหนึ่งครับเขากําลังยกตัวอย่างบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้ากําลังปั้นชีวิตของคนโดยที่เขาได้เข้าไปอยู่ในประสบการณ์ของการปั้นนะครับปั้นเครื่องปั้นดินเผาในพระธรรมเยเรมีบทที่18ข้อ21นะครับ เขียนว่าอย่างนี้ครับจงลุกขึ้นไปที่บ้านของช่างปั้นหม้อเราจะให้เจ้าได้ยินถ้อยคําของเราที่นั่นพี่น้องครับในเยเรมีบทที่สิบแปดก็ยี่สเอ็ดเนี่ยพูดชัดเจนนะครับทําให้เราเห็นและพบกับความจริงที่ว่าเมื่อคนคนหนึ่งนั้นได้อยู่ในนามาทัยของพระเจ้าคนคนนั้นเขาจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างครับและทําให้เขาคาบซึ้งในพระวจนะของพระเจ้าเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับ คนเขียนชื่อว่าฟิลิปเคเลอร์เดินทางไปที่ปากีสถานเขาและมิเชนรี่คนหนึ่งก็ไปที่ช่างปั้นหม้อในเมืองนั้นเขาเขียนนี้ครับว่า<ม>ข้าพเจ้าเดินเข้าไปหาช่างปั้นหม้อด้วยความกระตือรือร้ น, ลนและขอร้องด้วยความจริงใจให้เขาช่วยแสดงทุกขั้นตอนในการผลิตผลงานชิ้นเอกบนชั้นวางของขอ ง, ของเขานั้นมีถ้วยที่แวววาวมีแจกันรูปสรงน่ารัก ได้มีถ้วยชามอันงดงามวิจิตรผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสนะครับนึกถึงภาพขณะที่ผมอ่านเรื่องนี้ให้พี่น้องฟังนิ้วมือของช่างปั้นหม้อที่แสนชนานาญนั้นมีแต่กระดูกคดงอแต่กระดูกก็ชี้นํำข้าพเจ้าไปยังหลังลานของเขาที่มีห้องคับแคบและมืดอับเมื่อเขาเปิดบานประตูที่ผูพังออก กลิ่นเหม็นของสิ่งที่เน่าเปื่อยก็ส่งเป็นคละกรุ้งตลบอบปวนจนข้าพเจ้าเกือบเป็นลมเพียงชั่วครู่ข้าพเจ้าก็ถอยห่างจากปากบ่อโคลนต้มที่อยู่ในห้องมืด อ, อับนั้นช่างปั้นหม้อชายชราก็บอกกับข้าพเจ้าว่านี่คือที่เริ่มต้นของงานเขาบอกกับข้าพเจ้าขณะที่คุกเข่าลงอยู่ข้างหลุมอันหน้าคลื่นเหียนเวียนไส้ มือของเขาล้วงเข้าไปในบ่อนั้นนิ้วที่มีกระดูกที่โคดงอก็ควานหาเศษวัสดุชิ้นหนึ่งที่เขาต้องการเอาขึ้นมานั่นคือโครนครับและปนด้วยหญ้าเขาบอกว่าผมใสายยา่หญ้าชนิดพิเศษเข้าไปในโครนนี้เมื่อมันเปื่อยเน่าสารเคมีที่อยู่ในหญ้านี้จะช่วยเพิ่ม คุณภาพความเหนียวข้นให้กับดินเหนียวแล้วมันจะเกาะตัวได้ดียิ่งขึ้นในที่สุดมือที่เต็มด้วยความชำนาญเขาก็นำเอาโครนออกมาจากบ่อที่หน้าเหม็นและหน้าขยะขยะโครนที่บ่อ น, นี้ก็จะถูกนำมาใส่ไว้ในหลุมที่จะต้องถูกเท้านะครับเหยียบไปเหยียบมาย่ำไปย่ำมาผสมคลุกเคล้า เป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยกันสิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของข้าพเจ้าก็คือพรทาทำจุดดีบทที่40เขอที่2ที่บอกว่าพระองค์ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมอันน่าสลดออกมาจากเลนตมเห็นภาพไหมครับพี่น้องครับพระเจ้านาเอาดินก้อนหนึ่งที่ผสมหญ้าที่มีกลิ่นเหม็นคลุงกระลกอบกวนจนแทบจะเป็นลม เป็นเลนตมเป็นหลุมกากหลุมอันน่าสลดพระเจ้าก็เอาดินก้อนนั้นแล้วก็พิธีพิถีพิถันมากเลือกสรรข้าพระเจ้าดุดช่างปั้นเลือกสรรดินเหนียวแล้วขึ้นมาเหยียบครับเหยียบไปเหยียบมาเหยียบไปเหยียบมาพี่น้องครับเขาเขียนต่อไปครับว่าเขาได้กาดินเหนียวที่เหยียบแล้วไว้ในมือ เดินไปที่แท่นหินที่อยู่ตรงกลางห้องแท่นหินแกนิดแผ่นมือมาซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านของเขาก็หมุนอย่างเงียบเยียแต่จุดที่ข้าพเจ้าสนใจมากที่สุดก็คือที่ด้านข้างของช่างปั้นมีอ่างน้าอยู่ช่างปั้นจะไม่หยิบดินเหนียวจนกว่าเขาจะได้จุ่มมือลงในอ่างน้ำนั้นเสียก่อนน้ำนั้นเป็นสื่อกลางที่จะถ่ายทอดความต้องการของช่างปั้นไปสู่ดินเหนียว และดินเหนียวก็จะกลายเป็นภาชนะที่สวยงามในที่สุดความสําเร็จของเขานั้นได้สําเร็จในดินนั้นนับเป็นตัวอย่างที่ใช้การได้ดีน้ำมทไทยของพระเจ้าสําหรับข้าพเจ้าได้ถ่ายทอดมายังข้าพเจ้าโดยผ่านทางน้ําน้ําหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าน้ําแห่งพระวจนะนั่นเองที่สําแดงถึงน้ำมทไทยของพระเจ้าซึ่งช่วยปั้นแต่งข้าพเจ้าสําเร็จตามน้ำมทไทยของพระองค์ ทางใดนั่นเองครับผู้เขียนก็ประหลาดใจที่เห็นแท่นนั้นหยุดหมุนช่างปั้นค่อยๆแกะเอาเศษหินออกมาหมุนแท่นต่อไปแล้วก็หยุดเพื่อนําเอาเศษหินก้อนใหญ่ออกอีกนิดหนึ่งแล้วก็หยุดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสัมผัสที่อ่อนโยนของเขาของช่างปั้นที่มีทักษะสูงสามารถรับ ความรู้สึกเมื่อสัมผัสกับเห็ดเศษหินและเม็ดชายหยาบๆได้มีเศษหินและเม็ดชายหยาบๆสองชิ้นที่เขาแค่ออกมาและปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่างปั้นเปลี่ยนใจที่จะปั้นดินก้อนนั้นต่อไปช่างปั้นจึงขยำดินเหนียวก้อนนั้นเสีย ผู้เขียนนั้นหันไปหาเพื่อนพิชเชอรีอย่างคาช้าแล้วก็ทิบถามด้วยเสียงแถวว่าช่างปั้นกําลังทําอะไรช่างปั้นเงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาที่หม่นมองรักคนเศร้ายักไหล่แล้วตอบว่าก็อยทิ้งแล้วก็อย่าทำชามใหม่ทวนเศษดินที่ปั้นไม่สําเร็จนั้นก็จะไปทําชามเล็กๆ ที่ไม่ต้องใช้ความประณีตมากเขียนเขียนต่อไปนะครับว่าพระคําของพระเจ้าจากเดียรมีหัวนกับพัะนี้พระเจ้าเหมือนลูกศรที่กําลังแล่นไปสู่เป้าว่าภาชนะซึ่งทําด้วยดินก็เสียอยู่ในมือของช่างปั้นหม้อเขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทําคําถามที่ข้าพเจ้าต้องถามตัวเองสุขุมถี่ท่วนที่บ้านของช่างปั้นนี้ก็คือข้าพเจ้าจะเป็นเหมือน เครื่องปั้นดินเผาชั้นดีหรือเป็นชามเล็กๆที่ถูกปั้นอย่างลวกๆง่ายๆชีวิตของข้าพเจ้านั้นจะเป็นถ้วยชามอันงดงามประ ก, การตาเหมาะสําหรับทพียบบรรจุน้ําองุ่นเนา่าองุ่นอย่างดีอันเป็นชีวิตที่มาจากพระเจ้าเพื่อคนอื่นจะสามารถดื่มและได้รับการเสริมสร้างใหม่หรือไม่หรือข้าพเจ้าจะเป็นเพียงแค่ชามเล็กๆ ถูกปั้นอย่างหยาบๆที่ผ่านพ้นไปและถูกลืมเลือนเท่านั้นหรือมันช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าขนลุกที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของข้าพเจ้าน้องครับเรื่องนี้ก็จบลงด้วยประการานี้แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือว่าเราเองนั้นจําเป็นที่จะต้องตระหนักรู้ว่าเรานั้นถูกดึงออกมาจากเลนตตมครับ แต่นั่นก็เป็นน้ำมันไทยของพระเจ้าและในครั้งทีเดียวชีวิตของเรานะครับจะต้องเน่าเปื่อยเสียก่อนนะครับเหมือนกับในพระธรรมยอห์นบทที่สิบสองข้อยี่สิบสี่ครับมเมล็ดต้องตกไปในดินและเปื่อยเน่าไปยุ่งจะเกิดเป็นต้นและมีชีวิตใหม่ขึ้นมาได้พี่น้องครับเราเองนั้นจะต้องถูกหมักถูกฝึกถูกฝนนะครับถูกเหยียบย่ําพอพระเจ้าดึงเราออกจากเลนจากตม เป็นดินที่พระเจ้าได้ตั้งใจไว้เลือกสรรไว้เฉพาะเฉพาะพระราชกิจของพระเจ้าครับและพระเจ้าทรงปั้นเราเมื่อพระเจ้าเอาบางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของเรานะครับเราหลายหายครั้งอาจจะเจ็บครับอาจจะปวดอาจจะมีความทุกข์อาจจะมีความลำบากอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีหลายคนทิ้งพระเจ้าในช่วงนี้หลายคนบ่นต่อว่าพระเจ้าในช่วงนี้ หลายคนทำสิ่งที่มิบังควรกับพระองค์ในช่วงนี้ทำให้ชีวิตของเขานั้นได้พลาดจากน้ามัทยของพระเจ้าแต่ถ้าผู้ใดที่ทนได้เขาจะกลับกลายเป็นภาชนะที่มีค่าเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของพระเจ้าต่อไปในภายภาคหน้าอาเมน